สีอาสวะทุกกะหนึ่งปุชะละดิกะหนึ่งปุชะลบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง กรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, ะ, ะจจย่ะยอสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. อ, อกุเชลบทเหตุปัจจัย 3. ส, สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อส เหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9ก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าทิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมี9ก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมี9้าวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึง สัมยุตะวาระให้พิจาราาทุกปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย 6. เหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระสำหรับสามวาระใน่้ำกลางมีสหชาตาธิปติปัจจัยได้อันันตระปัจจัยมีก้าวาระ ละถึงอุปนิเสียปัจจัยมี9้าวาระอาเซวณปัจจัยมี9้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงจานปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระยอ่อ 3. อภิยะกตะบทเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอภิยะกฤิ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 สิเฮตุปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่ออนุโลมจบ 11. บอณอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงณเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระย่อปัจญิยะจบ สหชาตวาระละถึงสัมำยุตวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระปัญหาวาระเหตุปัจใจสิบสองสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศล โดยเหตุปัจจัยย่อสิบสาเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงนิสียปัจจัยมีสองวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสี่วาระอาเสวะนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อ พึนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมและปัจญิยะและปัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลเถกะที่นับไว้แล้วสองอกุศลบทเหตุปัจจัยสบสสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพระเจจาะเหตุปัจจัยย่อสิบห้าเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 3. อัพยากตะบทเหตุปัจจัยสิหสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสุวะซึ่งเป็นอัพยกฤยตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอสุวะซึ่งเป็นอัพยากฤยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ17เหตุตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึง อาเสวนาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารัมณปัจจัยมีสามวาระนอาทิปฏิปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตะปัจใจมีสี่วาระณปชัชชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงนมคะปั จ, จัยมีหนึ่งวาระละถึงณวิปยุตตปั จ, จัยมีสองวาระละถึงโนวิคตาปั จ, จัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาทุกปัจใจปัญหาวาระเหตุปัจใจสย 18. สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤษต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอภยากฤษโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤษโดยเหตุปัจจัยย่อ 19. เกหตุปัจจัยมีสี่วาระอาริมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสีวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระ สมันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีหวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสองวาระนิจญาปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิจญยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระอาเสวะปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตต์ปัจจัยมีสองวาระ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 วะสัมบัญญาตุกะหนึ่งปุชลติกะหนึ่งปุชลบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยยี่สิบสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอาจฉริยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอาจฉริยะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิบเอดเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารหันต์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสองอกุศลปรเหตุ ป, ปัจจัยยี่สิบสองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจากอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจากอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย่อยี่สิบสามเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ สหชาต ว, วาระละถึงสัมปยุตตา ว, วาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละห้าวาระนเหตุ ป, ปัจจัยมีห น, น, นึ่งวาระนักทปติปัจจัยมีห้าวาระนัุเรชาตาปัจจัยมีห้าวาระละถึงนกกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระย่อยี่สิบสี่ สภาวะธรรมที่จำปยุติอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุติอาสวะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่วิปยุติจากอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุติอาสวะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุติจากอาสวะและที่วิปยุติจากอาสวะซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมพิจุดได้อสุวะซึ่งเป็นอกุสนโดยเหตุปัจจัยย่อยีสห้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9้าวาระสหาฌาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระนิจยปัจจัยมีห้าวาระ อปาณิสีหปัจจัยมี9้าวาระอาเศวนาปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงนักเหมือนอนุโลมปัจจินยอนุโลมปัจจินย และปัจ ن ิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสามอภยากะตะพดเหตุปัจจัย26 ส, สภาวะธรรมที่วิปิวิจักอาสวะซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่วิปิวิจักอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอยี่สิบเจเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงโนวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาชาตวาระละถึงสัมบยุตตวาระทุกปัจจัยมีปัจจยและหนึ่งวาระ28สิสภาวธรรมที่วิปยุจากอาจวะซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจักอาจวะซึ่งเป็นอพยากฤตโดยเหตุปัจจัยยอ่อยี่สิเเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจียะอนุโลมปัจจียะและปัจจ尼ญาอนุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละติกะที่นับไว้แล้ว อาสวะสัมปยุตตทุกะและกุศลตะกะจบสิบเจ็ดอาสวะสาสวะทุกะหนึ่งกุศลตะกะหนึ่งกุศลบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยสามสิบสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ สาเอ็เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. อ, อกุสลบทเหตุปัจจัยสาสองสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที huh ่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อสามสิบสามเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อปัจจนียะณนะเหตุปัจจัยสามสิบสี่ สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน้เหตุปัจจัยย่อสาสิบห้าน้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าทิปติปัจจัยมีเ้าวาระหนปุเรชาติปัจจัยมีเ้าวาระหนปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระหนาอาเซวณปัจจัยมี9้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจจยวาระนิจยวาระสังสถทาวาระและสมยุตตะวาระให้พิจารณาเจปัญหาวาระเหตุ ป, ปัจจัยสาสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศล เป็นปันจจัยแฝงสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ37เจ็หตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงอุปาเนียปัจจัยมี9้าวาระอาเสวนปันจจัยมี9้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระ อนินทริย์ปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคค ะ, ะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อปัจจณียุทธาระ38สสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศล โดยอรรถมณปัจจัยสงฆชาติปัจจัยและอุปาเิสี Пред ยปัจจัยย่อสามนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารถมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารถมณปัจจัยกัยยบเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระย่ออารถมณปัจจัยกับนัหเหตุปัจจัยมีเ้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยอนุโลมปัจจ尼ย และปัจจ n i y a นุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 3. อัพยาขตะบทเหตุปัจจัย40สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ41เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงปวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาสวาสาสวาทุกกะและกุศลเถกกะจบ ส, ะ ส, ะสิบแปดอสวาอสวาสามปยุตต ท, ทุกกะหนึ่งกุศลเถกกะอกุศลปดหนึ่งปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัย สีสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุติด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุติด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที Pop ่เป็นอาสวะและสัมปยุทธิ์อาสวะซึ่งเป็นอักุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธวยอาสวะและที่สัมปยุทธิ์อาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอักุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสี่ิบสาเหตุปัจจัยมีกาวาระอรมาณะปัจจัยมีกาวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีกาวาระย่อปัจจนียะ ณอธิปติปัจจัย44สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุสลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศนเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัย45ณอธิปฏิปัจจัยมีกลาวาระณปเรชาตะปัจจัยมีกล่าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีกลาวาระณอาศิวะนาปัจจัยมีกล่าวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมี9้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมี9้าวาระสหชาตะวาระสำปรยุตตะวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระ 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุปนัยเหตุปัจจัยสี่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสำปรยุตยอาสวะซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมพยุด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ47เหตุปัจจัยมี4วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละถึงอุปาินียปัจจัยมี9วาระอาเสวะนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปปัจจัยมี3วาระ อินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมพยุติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอว AH ิคตปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อ พึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วอาสวะอาสาวะสัมปยุตตะทุกะและกุศลติกะจบ ๙อสวะวิปยุตตาสัสวาทุกะ๑กุศลติกะกุชลบทเหตุปัจใจ๔๘สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิบิยุติจากอาสวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัย่อ4ีสิบเกเหตุุปัจจัยมีสองวาระอรหันต์ปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาอยากตบทเหตุุปัจจห้าสิบ สภาวธรรมที่วิป si ิยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่วิปิยุจักอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อห้เอเหตุปัจจัยมีหวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ ละถึงอาเจวณนัปัจมีหนึ่งวาระกรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจนิยะนัเหตุปัจจัย52สภาวธรรมที่ว ja> ิปย ah ุจากอาชวะแต่เป็นอารมณ์ของอาชวะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาชวะแต่เป็นอารมณ์ของอาชวะซึ่งเป็นอภยากลิ เกิดขึ้นเพราะนันเหตุปัจจัยย่อห้าสิบสามนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอานอรมณปัจจัยมีสามวาระนัธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงนับุเรชาตปัจใจมีสี่วาระนัปชาชาตปัจจัยมีห้าวาระนัอเสวณปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง นมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่อขยายชาชาติวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสถาวาระและสัมบยุตตาวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระ 7. ปัญหาวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย5้ิบสี่ สภาสสวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุจจ์อาสวาและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่วิปยุจากอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิต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 สภาวธรรมที่วิปยุจฉ์อาจวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอภิยกฤะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาจวะแต่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอัพยากฤะโดยอารมณปัจจัยย่อห้าห้าเหตุปัจจัยมีสวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสวาระอนันตระปัจจัยมีสีวาระสัมมันตระปัจจัยมีสวาระ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 สัจจุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีเจวาระยอ่อปัจจินียุทธาระห้สภาวธรรมที่วิปิยุตจากอ า, วอากจจสา ว, ะรร ว, าอาวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปิยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยระมณะปัจจัยสหชาตตปัจจัย อุปาเสียญปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทริยปัจจัยย่อห้าสิบเจ็ดนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนั่นอรมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อนั่นอรมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจินญะ อนุโลมปัจจัญญาและปัจจัญญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วอาสวะวิปยุตตาสาสวะทุกะและกุศลติถกะจบอาสวะโคชะกะจบ โยชนะทุกะหนึ่งปุชลติกะหนึ่งปฏิเจวาระเป็นต้นปัจญาจตุกนยัยเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่ม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 2. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ ชาตวาระและถึง Φ, ปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 3. สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพระเหตุปัจจัยย่อสี่เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมาณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระละถึงนเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงณ ก, กรรมปัจจัยมีสามวาระละถึง ณนะวิปยุตตปัจจัยมีกลาวาระยอ่อพึ่งขยายสหาชาตวาระละถึงสัมปยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนขปติจจวาระปัญหาวาระปัจยะจตุกนยัยเหตุุปัจจัยห้าสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปปัจจัยยอ่อหก เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกามปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัครปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีกลาวาระย่อ 7. นเหตุปัจจัยมีกลาวาระนอานอรมณะปัจจัยมีกลาวาระย่อณอานอรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีกลาวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยอนุโลมมะปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระ ในปุสาติกที่นับไว้แล้วอพยากะตะบทเฮตุปัจจัย 8. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเฮตุปัจจัยยอ่อ 9. เฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาชาตะวาระ และถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 21. สสัญโยชนิยทุกกะหนึ่งกุศลเตึกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยจตุ ก, กนัใเหตุปัจจัย 10. สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยยอ่อ11เหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงทราบข้อความนี้เหมือนกับข้อความในโลกิยะทุกะในจุลันตระทุกกะพึงขยายสหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณ์ ส, รร ส, ส, สิสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่ 13. อ 13. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ อภยากตะบทเหตุปัจจัย 14. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภยากฤิบาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธ <iento> รรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน <ส bets. S 2> mm ์ซ hmm. <Rescue S 2> ึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์และที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นเพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์และที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิบห้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณะณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงเหมือนกับโลกิยทุกกะในจุลันตะทุกกะพึงขยายสหชาตะวาระละถึงสัมยุตตวาระให้พิจารปัญหาวาระเหตุปัจจัยสิห สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ17เจ็หตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสาวาระ อธิปฏิปัจัจมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อปัจนียุทธาระ1ิสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภยากฤิตโดยรมณปัจจัยสหชาตะปัจัจอุปาณิชยปัจัยปุเรชาตะปัจัยปัชชาชาตะปัจัย อหาระปัจจัยและอินทริยปัจจัยย่อสิบเก้าณเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่ออารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญาณุโลมแห่งปัญหาวาระ ในกุศลติกะที่นับไว้แล้วยี่สิบสองสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยี่สิบสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิอสภาวธรรมที่สัมปยุทธยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศล อายสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยย่อยี่สิบสองเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออนุโลมจบปัจจนียะใเหตุ ป, ปัจจัยยี่สิบสาม สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนัยเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนัยเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยอุทัจะ อาศัยขันที่สฮโรโคติอุทจจะเกิดขึ้นยอ่อยี่สิบสี่ณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงนวิบิยุตปัจจัยมีห้าวาระยอ่อปัจจ尼ยะจบปัญหาวาระเหตุปัจจัยยี่สิบห้า สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศนโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศล โดยอรมณปัจใจมีเก้าวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยทิปติปัจจัยย่อ26เหตุปัจจัยมีสองวาระออรมณปัจใจมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตร์ปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระ สหสชาต์ปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีห้าวาระนิสยาปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสยาปัจจัยมีเก้าวาระอสิวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึง <audiobook S 1> อวิคตตปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออพยากตตบทเหตุปัจจัยยี่สิเจสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สสาสัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะหนึ่งปุสลติกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยยี่สิบปสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชต์แต่ไม่เป็นสังโยต์ซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อยี่สิบเก้าเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสามสิบ สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสาสิบเอเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมาณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระย่อ นัเหตุปัจจัยมีสามวาระนัอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระนัปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระนัปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระนัอเสวณะปัจจัยมีเก้าวาระนักรรมปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนัวิปิุตตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อสหชาติวาระละถึงสัมำยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระ สาสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปันจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อสาเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอุปาณิสยปัปจจัยมีเก้าวาระอาเสวะณปัจจัยมีเก้าวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมนปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อสามสิบสี่นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอานอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระย่อ นัา่นอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออรมณปัจจัยกับนนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยอนุโลมปัจจนิย ะ, ล ะ, จจยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสาสิห้าสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชแต่ไม่เป็นสังโยชซึ่งเป็นอัพยากฤิ ใช้สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสามสิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ